หปัจจญานุโลม 2. สังคยาวาระ269เก้หตุปัจจัยมีสิเจดวาระอารมณปัจจัยมีเจดวาระอธิปติปัจจัยมีสิเจดวาระอนันตรปัจจัยมีเจดวาระสมนันตรปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมี17ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระ นิสยปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอุปนิสยปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาตปัจใจมีเจดวาระอสศวะนปัจจัยมีเจดวาระกรรมปัจจัยมีสิบเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหารปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระชานะปัจจัยมีสิบเจดวาระมัคคะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ สัมยุติปัจจัยมีเจ็ดวาระวิบัติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอธิปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคติปัจจัยมีเจ็ดวาระ <h eta> า 270. อวิคติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระเหตุทุกข์ในสองร้อยเจ็สิบอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยละถึง มีสิเจดวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมณันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาติปัจจัยมีสิเจวาระอวิคตาปัจจัยมีสิเจวาระเตะกะในอธิปฏิปัจจัยกะเพรุปัจจัยและอารมณะปัจจัยมีเจดวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเจดวาระวิปากะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ อวิคตปัจจัยกับมีเจ็ดวาระทวาทสกัณในสาเสวนะกรมมะปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารมณะปัจจัยอธิปติปัจจัยอานันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญามัญญปัจจัยนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยและอาเสยวนปัจจัยมีเจ็ดวาระ อาหารปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระภาวิจกกะในอวิคตะปัจจัยกับเพตุปัจจัยอารมณปัจจัยละถึงปุเรชาตะปัจจัยอเศวณปัจจัยกรมมปัจจัยอาหารปัจจัยละถึงวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระเตระสกกะในสวิปากะ มหาราปจัยกับเพะุปัจจัยอารามณปัจจัยละถึงปุเรชาตะปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระผ้าวิจกะในสวิปากะอวิคตะปัจจัยกับเพะุปัจจัยอารามณปัจจัยละถึงปุเรชาตะปัจจัยกรรมะปจจัยวิปากะปจัย อาหารปัจจัยวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเฮตุมูลกระในจบอารมณะทุกระในสองยเจ็เอเฮตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยกับอารมณะปัจจัยมีเจ็ดวาระพึงขยายอารมณะมูลกระในให้พิสดารเหมือนเหตุมูลกระในอธิปติทุกระใน สองเจ็สองเหตุปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอานันตระและสมนันตระทุกขในสองยเจ็ดสสาเหตุปัจจัยกับอนันตระปัจจัยและถึงเหตุปัจจัยกับสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระทุกขในมีสาชาตปัจจัยเป็นต้นสอง้ยเจ็ดสิบสี่ เหตุปัจจัยกับสหชาตปัจจัยละถึงเหตุปัจจัยกับอัญญามัญญปัจจัยเหตุปัจจัยกับนิสยปัจจัยเหตุปัจจัยกับอุปนิสยปัจจัยเหตุปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยเหตุปัจจัยกับอาศัวะณปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณ์ปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระ อนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเจดวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยปัจจัยมีเจดวาระปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระอาหาราปัจจัยมีเจดวาระอิขิตญาปัจจัยมีเจดวาระ ชาณะปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคคาปัจจัยกับอาศวณะปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตะปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระวิปยุตตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระนัธิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิขตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิขตะปัจจัยมีเจ็ดวาระกรมมะและวิปากทุกะใน 27งเจ็หตุปัจจัยกับกรรมปัจจัยและถึงเฮตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามะนปัจจัยและถึงมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมณันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคราปัจจัยมีหนึ่งวาระสำปรยุตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิปยุตตาปัจัยละถึงมีหนึ่งวาระอธิปัจใจมีหนึ่งวาระนาถิปัจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, tai, จจาระ well Lords. ทุกะในมีอาหารปัจปัจเป็นต้นสองเหฮตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยและถึงเฮตุปัจจัยกับอินทริยาปัจจัย เหตุปัจจัยกับชานะปัจจัยเหตุปัจจัยกับมรรคปัจจัยเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตะปัจจัยเหตุปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยเหตุปัจจัยกับอธิปัจจัยเหตุปัจจัยกับนัธิปัจจัยเหตุปัจจัยกับวิคตะปัจจัยเหตุปัจจัยกับอวิขตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระ วิคตาปัจจัยมีเจ็ดวาระอนุโลมในปัจจยวาระจบสองปั จ, จยะปั จ, จนิยะหนึ่งวิพังควาระนเหตุปัจัจสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด สภาวธรรมที่เป็นอคูสน์ทำสภาวะธรรมที่เป็นอกุศน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคตด้วยวิจิกิชฌาและที่สหรโคตด้วยอุทจจะทำขันที่สหรโคตด้วยวิจิกิชฌาและที่สหรโคตด้วยอุทัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริศทำสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนนเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตะสมุฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอัพยาคตะวิบากและอัพยาคตะกริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและจิตตะสมุฐานรูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิชนที่ขณะที่เป็นอเหตุกะขันสามและกระตตารูปทำขันหนึ่งที่เป็นอัพยาคตะวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและกตัตตารูป ทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหาทายวัตุ brasile, ทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดข er. ึ้นขัน Whole, ทำ <Hey. S 2> หทายวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึห่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงจิตตสมุฐานรูปและกระตัตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน สำหรับเหล่าอสัญญัติพรมมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นจักขวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอเหตุกะซึ่งเป็นอพยกตะวิบาก และอพยากตกกริยาธรรมะทยวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะในเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สระคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สระคตด้วยอุทจจะธรรมะทยวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุจทจจะทำขันที่สหรโคด้วยวิแจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะและหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นน่าอารมณปัจจัยสองร้สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิทธทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่อา ร, รมณปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึ่งขายายให้พิจารณเหมือนนอรมณปัจจัยในปฏิจจวาระาอธิปติปัจจัย279สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระ ทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มอพยากตะบทให้บริบูรณ์และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญัตตพรมทำมหาภูตรูปหนึ่งจากขวิญญาทำจากขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ณอนันตระปัจจัยเป็นต้นสองสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตทธ์ทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอนันตระปัจจัยเพราะณสมนันตระปัจจัยเพราะนอัญญมนญญปัจจัยเพราะณอุปนิสยปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยพึงขยายให้พิจารณเหมือนในปฏิจจวาระณปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น สองสภาวะธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหน้าปัจฉาชาตะปัจจัยเพราะหน้าอาศัยวณัติปัจใจทำจัาจากขายตนะหน้าปัจฉาชาตะปัจจัยและหนาอาศัยวณัปัจจัยบริบูรณ์แล้วมีสิเจดวาระพึงขยายให้พิจารณาเหมือนสหชาตะปัจจัยในอนุโลมหนกรรมปัจจัย สอง้อแปดสิบสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นป 30, ัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลทำขันธ์ที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลทำขันธ์ที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิทธ์ทำสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอัพยากตะกริยาทำขันที่เป็นอภยากตะกริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานทรมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานอุปาทัยรูปเจตนาที่เป็นอัพยากตะกริยา ธรรมทายวัตถุให้เ <sucking> ป <be> ็น <mart> ป <hop nah> <Witch> ัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรคปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนกรรคปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศล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 เจตนาที่เป็นอกุศลทำขันที่เป็นอกุศลและธรรมทัยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหน้าวิปากับปัจจัยสองปดสิบสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาวิปากับปัจจัยทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิ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 ทำสภาวธรรม ท, ที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณวิปากับปัจจัยได้แก่ etheless. ขันธ์ที่เป็นกุศลธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเว้นวิปากับปัจจัยทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารณอาหารับปัจจัยเป็นต้นสองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริดทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอาหารปัจจัย เพราะณอินทริยาปัจัยเพราะณชาน ะ, าะปัจจัและถึงจะขูวิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นกายะวิญญาณทำกายะยาตนะให้เป็นปัจใจเกิดขึ้นนี้เป็นความต่างกันใ น, นชานะปัจัยสภาวะธรรมที่เป็นอภยกฤทธทำสภาวะธรรมที่เป็นอภยกฤิธให้เป็นปัจใจเกิดขึ้นเพราะณมรรคปัจัยได้แก่ จักขวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายะตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอเหตุุกะซึ่งเป็นอพยากตะวิบากและอพยากตะิริยารรอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนี้เป็นความต่างกันในนัมมะปัจจัยที่เหลือพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัจจนียะในปฏิจจาระ นณสัมปยุตตะปัจจัยเป็นต้นสองปดสิห้าละถึงเพราะณสัมปยุตตะปัจจัยเพราะณวิปยุตตะปัจจัยเพราะโนนัติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตรทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะโนวิขตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปทำขันธ์ที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึ่งขยาหให้พิจารณาเหมือนในปฏิจจวาระ สปัจยะปัจจนียะสองสังคยาวาระสองรหณเหตุปัจใจมีสี่วาระณอารมณปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอนันตะรปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตะร ป, ปัจจัยมีห้าวาระณนะอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนะ นอุปาณิสยปัจจัยมีหวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนกรรมะปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระ นัมคะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระนเหตุทุกกะในสองร้อยแปดนอารมณปัจจัยกับนเฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยละถึงมีสี่วาระ ะอนะจจะนะันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณสนะ ม, ญญจจมนะนัจจมนะตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระณโอปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระณปัชชาชาตปัจจัยมีสี่วาระณอาศวณปัจจัยมีสี่วาระณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีสี่วาระ ณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระณมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระติดกะใน นอาิปติปรรัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารมณะปรรัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตระปรรัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณสมนันตระปรรัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปกรรัจจัยมีปรรัจจัยละหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารมณะทุกกะในสองรยแป8สด นเหตุปัจจัยกับณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอรญยมรญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระ นาอาศัยวนาปัจใจมีห้าวาระนากรมปัจใจมีหนึ่งวาระนวิปากปัจใจมีห้าวาระนอาหาระปัจใจมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจใจมีหนึ่งวาระนชาณะปัจใจมีหนึ่งวาระนมัคคปัจใจมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจใจมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจใจมีหนึ่งวาระ โนนิปัจจัยกับนอารมณะปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยละถึงมีหวาระติกกะในณอธิปติปัจจัยกับนอารมณะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติทุกะในสองร้ยินเหตุปัจจัยกับนาอธิปติปัจัจมีสี่วาระ ณอารมณะปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอาศิวณปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณกรรมปัจจัยมีเจดวาระ นวิปากะปัจใจมีสิบเจดวาระนอาหาระปัจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจัยมีหนึ่งวาระนัชาณปัจัยมีหนึ่งวาระนมขละปัจัยมีหนึ่งวาระณสัมบยุตตะปัจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจัยมีสามวาระโนนัธิปัจัยมีห้าวาระโนวิขตะปัจัยมีห้าวาระเติกกะไน ณอารมณปัจจัยกับณอธิปฏิปัจจัยและณเฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระณสมณันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิชยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตาปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสี่วาระณอาศิวณปัจจัยมีสี่วาระ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 ชาตุกะในณอันันตระปัจจัยคำณัฐิปติปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยเป็นต้นสองร้ละถึงกับณอนันตระปัจจัยณสมณันตระปัจจัยณอัญญามัญปัจจัยและณอุปนิสยปัจจัย ปัจจัยนี้เหมือนกับนอารมณปัจใจนาปูเรชาตะทุกไนัยเก้สิบเอดนเหตุปัจจัยกับนาปูเรชาตะปัจจัยมีสองวาระนอารมณปัจจัยละถึงมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีเจดวาระนอนันตรปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญะปัจจัยมีห้าวาระ นอุปนิสยปัจจัยมีหวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีเจวาระนอาศวนปัจจัยมีเจวาระนกรรมปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยมีเจวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมขละปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระ นวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนัธิปัจจัยมีหวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระเต็กกะไนนาอารามณปัจจัยกับนับูเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอธิปติปัจจัยละถึงมีสองวาระนัอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระนสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณอัญญมัญญปัจ <void> จ <juvenile> ัย <wicked> ม <ifies> ีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยกณปุเรชาตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยละถึงมีสองวาระณอาศิวนปัจจัยมีสองวาระณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีสองวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระโนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิขะตปัจจัยมีหนึ่งวาระจะตุกะในณอธิปติปัจจัยร์กับณปุเรชาตปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตะและณอาเสวณะทุกกะในสงรอยก้าสิบสองณเหตุปัจจัยกับณปัจฉาชาตะปัจจัยละถึงณอาเสวณะปัจจมีสี่วาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีหวาระณอธิปติปัจัยกับมีสิวาระ ณอนันตรปัจจัยกับมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีหวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีหวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับมีหวาระณปูเรชาตปัจจัยกับมีเจดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมี17วาระณกรรมปัจจัยกับมีเจดวาระณวิปากปัจจัยกับมี17วาระ ณอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณชาณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระะมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสำปรยุตตะปัจจัยกับมีห้าวาระณวิประยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีห้าวาระติกะใน ณอารามณปัจจัยกับนอาเสวณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสี่วาระณอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสี่วาระ นกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจใจมีสี่วาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนอาเจวะนปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจใจละถึงมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระ โนนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจตะตุกัณย์ณอธิปติปัจจัยกับณอาเจวะณปัจจใจณเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณกรรมะทุกกณย์สองรยเก้ิบสาม นเหตุปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอารามาณปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนะอธิปติปัจจัยมีเจดวาระนะอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระนะสมณันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระนอะัญญา er มัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนะอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระนัปุเรชาตะปัะปะจจัยมีสามวาระ ณปัจฉาชาติปัจจัยมี7วาระณอาศัยวณปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยมีเจวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียาปัจจัยมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรคาปัจจัยกับณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจใจละถึงมีหนึ่งวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสวาระ โนนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจใจมีหนึ่งวาระเตะกะในณอารมณปัจจัยกับณกรรมปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณวิปากะทุกะในสองร้อยเก้ณเหตุปัจจัยกับณวิปากปัจใจมีสี่วาระ ณอารมณะปัจจัยละถึงมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบเจดวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสิบเจดวาระณอาศวณปัจจัยมีสิบเจดวาระ นกรรมปัจจัยมีเจวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระณัชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยและถึงมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสมวาระโนนัธิปัจจัยมีหวาระโนวิเคตะปัจจัยมีหวาระ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 นภูเรชาตปัจจัยมีสองวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีสี่วาระนอาศวณปัจจ ouais. ัยมีสี่วาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระโนนัต <grid> ิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจะตุกะในนาอธิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยนาเหตุปัจจัยและนาอารมาณปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ ทุกขกับนายมีนอาหารปัจจัยเป็นต้น295น่ะเหตุปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระโนวิคตาปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับน่ชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระณเหตุปัจจัยกับณมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระกับณสัมปยุตตะปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับณอารมณะปัจจัยณวิปยุตตะทุกกะในสองร้ยเก้าณเหตุปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระณอารมณปัจจัย และถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมณันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณอญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจัยมีสวาระณอสิวนาปัจัยมีสามวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระ หนวิปากัปัจจ SI, ัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระณอาหารปัจจัยและถึงมีหนึ่งวาระณอินทริยะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนาชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนาธิปัจจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระติกกะใน ณอาระมณะปัจจัยับณวิปย on ุตตปัจจัยและณเหตุป um ัจจัยมีหน <musician. S 2> ึ่งวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสองวาระณอนนตระปัจจัยมีหนึ่งวาระณสมานันตระปัจ <dips> จัยมีหนึ่งวาระณอัญญามัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปะนิจญปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระ ณอาจายวะณปัจใจมีสองวาระนกรรมปัจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจัยมีสองวาระณอาหาระปัจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียะปัจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจัยมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจัยมีหนึ่งวาระ จะตุกะในนยณอธิปติปัจจัยกับนณวิปยุตตะปัจจใจณเหตุปัจจัยและณอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระละถึงกับโนนติปัจจัยกับโนวิคตาปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับณอารมณปัจจัยปัจจนียะในปัจญะวาระจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ เพตุทุกะในสองยเก้าณอารมณปัจใจกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจใจและถึงมีสิบเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญามัญญาปัจจัยมีห้าวาระณอุปอนิชยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระ ณปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเจดวาระณอาศุวนปัจจัยมีสิบเจดวาระณกรรมปัจจัยมีเจดวาระณวิปากปัจจัยมีสิบเจดวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิขตะปัจจัยมีห้าวาระติสกะในณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัย และอารมณปัจจัยมีเจดวาระณปุเรชาตปัจจัยละถึงมีส า, า, ามวาระณปัชชาชาตปัจจัยมีเจดวาระณเอเสวณปัจจัยมีเจดวาระณกามปัจจัยมีเจดวาระณวิปากปัจจัยมีเจดวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระเอกาทัศก์ใน นปัชชาชาตปัจจัยกับเพตุปัจจัยอารามณปัจจัยอธิปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยสหชาตะปัจจัยอัญญะมัญญะปฏใจนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและปเรชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอาศัวนปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระณกรรมปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยกับ มีเจ็ดวาระทวาทศกัณในสาสวะณะนปัจชฉชาชาตะปัจจัยกับเพรตุปัจจัยอารามณปัจใจและถึงปุเรชาตะปัจจัยและอาศัยวะณปัจจัยมีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับและถึงมีเจ็ดวาระณวิปากปัจจัยกับมีเจดวาระเตวีสกัณในณปัจฉาชาตะปัจจัยกับเพรตุปัจจัย อารามณปัจจัยและถึงปุเรชาติปัจจัยอาศัยวณปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียะปัจจัยชานะปัจจัยมัคระปัจจัยสัมปยุตตะปัจจัยวิปยุตตะปัจจัยอัติปัจจัยนัติปัจจัยวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากะปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระ เตระสกะในสวิปากะนปัจฉาชาตะปัจจัยกะเพตุปัจจัยอารามณปัจจัและถึงปุเรชาตะปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอเศวณปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระเตวีสกะในสวิปากะนปัจฉาชาตะปัจจัยกะเพตุปัจจัยอารามณะปัจจัยละถึง ปุเรชาตปัจจัยการมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหาราปัจจัยอวิคชตปัจจัยมีหนึ่งวาระณเอาศัวณปปัจจัยกับและถึงมีหนึ่งวาระ